ลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีทรงคิดว่าเราให้ทำการพิทักษ์รักษาเมืองของเราเป็นอันดีแล้วมาตั้งล้อมอุปการนครนี้ด้วยพลพาหณะถึงเท่านี้มโหสถยังนำพระเทวีโอรสธิดาและพระชนนีของเราจากเมืองเราซึ่งรักษาดีแล้วอย่างนี้ไปให้พระเจ้าวิเทหราชได้และเมื่อพวกเราตั้งล้อมอยู่อย่างนี้ มโหสถยังพระเจ้าวิเทหราชทั้งพลพาหนะให้หนีไปแม้สักคนหนึ่งก็หามีใครรู้ไม่มโหสถรู้เล่กลอันเป็นทิพหรือหรือเพียงอุบายบังตาหนอเมื่อจะตรัสถามข้อความกับมโหสถจึงตรัสาถาว่าเจ้ารู้เล่กลอันเป็นทิพหรือเจ้าได้ทำอุบายบังตา ในการที่เจ้าปล่อยพระเจ้าวิเทหราชผู้เป็นศัตรูของข้าซึ่งตกอยู่ในเงื้อมมือข้าแล้วมโหสดได้ฟังรับสั่งจึงทูลว่าข้าพระองค์รู้เลขกลอันเป็นทิพย์จริงอยู่บัณฑิตทั้งหลายย่อมเรียนเลขกลอนอันเป็นทิพย์ไว้ครั้นเมื่อภัยมาถึงก็ปลดเปลื้องตนบ้างผู้อื่นบ้างให้พ้นทุกทูลชนีแล้วทูลว่า ้แต่พระมหาราชเจ้าบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ย่อมบรรลุเลขกน์อันเป็นทิพย์บัณฑิตชนผู้มีความรู้เหล่านั้นจึงปลื้งตนจากทุกได้เหล่าโยธารุ่นหนุ่มเป็นคนฉลาดเป็นทหารขุดอุโมงค์ของข้าพระองค์มีอยู่พระเจ้าวิเทหาราชเสด็จไปกรุงมิถิลาโดยทางที่ทหารเหล่านี้ทําไว้บรรดาคาเหล่านั้น คำว่าทิพมายีทะในโลกนี้เลกกนอันเป็นทิพตัดบทเป็นทิพมายังอิทะคำว่าเราโยธารุ่นหนุ่มมานวะปุตตาได้แก่เราโยธารุ่นหนุ่มผู้บำรุงคำว่าที่ทหารทำไว้เยสังกะเตนะได้แก่ที่พวกเขาทำไวคาว่า โดยทางมักเคนะได้แก่โดยอุโมงค์ที่ตกแต่งไว้พระเจ้าจุลณีได้ทรงสดับคํานี้แล้วก็ใครจะทอดพระเนตรอุโมงค์โดยทรงคิดว่ามโหสถแจ้งว่าได้ยินว่าพระเจ้าวิเทหราชได้เสด็จไปโดยอุโมงค์ที่ตกแต่งไว้อุโมงค์เป็นอย่างไรหนอลำดับนั้นพระโพธิสัตว์รู้ว่า พระเจ้าจุลณีมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรอุโมงค์จึงคิดว่าพระราชาใครจะทอดพระเนตรอุโมงค์เราจะแสดงอุโมงค์แก่พระองค์เมื่อจะแสดงจึงได้กล่าวคาถานี้ว่าเชิญเถิดพระเจ้าข้าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรอุโมงค์ที่ได้สร้างไว้ดีแล้วงามรุ่งเรืองด้วยระเบียบแห่งกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถ และกองผลราบซึ่งสำเร็จดีแล้วตั้งอยู่บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าแห่งกองผลช้างหัตถีนังความว่าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรอุโมงที่งามรุ่งเรืองด้วยระเบียบแห่งกองผลช้างเป็นต้นเหล่านั้นที่นายช่างทำด้วยโปตะถะกรรมการแกะสลักและจิตตกรรมการเขียนภาพ มีแสงสว่างทั่วเป็นอันเดียวกันเช่นกับเทวสภาที่ตกแต่งแล้วก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมโหสถได้ทูลต่อไปว่าอุโมงค์ซึ่งตกแต่งแล้วข้าพระองค์ให้สร้างไว้ด้วยปัญญาของข้าพระองค์เป็นราวกับปรากฏแล้วในที่ตั้งขึ้นแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พระองค์จงทอดพระเนตรประตูใหญ่ปสิประตูน้อยหิสี่ ห้องนอนหนึ่งรหนึ่งโคมดวงประทีปหลายร้อยพระองค์จงเป็นผู้พร้อมเพรียงบันเทิงกับด้วยข้าพระองค์สเสด็จเข้าไปสู่อุปการะนครกับด้วยราชบริพานทูลชนีแล้วให้เปิดประตูเมืองพระเจ้าจุลนีพระราชาร้อยเอ็ดแวดล้อมสเสด็จเข้าสู่เมืองพระมหาสัติย์ลงจากปราสาทถวายบังคมพระเจ้าจุลนี พาพระราชาพร้อมด้วยราชบริพารเข้าสู่อุโมงค์พระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็นอุโมงค์ราวกะเทวสภาเมื่อจะทรงพรณนาคุณแห่งพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าเป็นลาบของชาววิเทหะหนอคนที่มีบัณฑิตผู้เช่นนี้เหล่านี้เช่นท่านมโหสดอยู่ในเรือนในแว่นแควน บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าวิเทหรัตวิเทหาหนังความว่าเป็นลาบของชาววิเทหะคือของชนบทที่เป็นบ่อเกิดคือเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งเหล่าบัณฑิตเห็นปานนี้หนาคคำว่าเช่นนี้เหล่านี้แห่งผู้ใดยัดสิเมีธิสาความว่า บัณฑิต ท, ทั้งหลายผู้ฉลาดในอุบายเหล่านี้คือเห็นปานนี้อยู่ในเรือนเดียวกันในประเทศเดียวกันหรือในแวนแควนเดียวกันของผู้ใดเป็นลาบของผู้นั้นเนอคำว่าเช่นท่านมโหสถยะถาตวามสสิความว่าชนทั้งหลายย่อมได้เพื่ออันอยู่ในรัฐเดียวกันในชนบทเดียวกัน ในนครเดียวกันในเรือนเดียวกันกับบัณฑิตเช่นนั้นเหมือนอย่างตัวท่านนั่นแหละเป็นลาบของชนเหล่านั้นคือของชาววิเทหรัฐและชาวกรุงมิถิลาผู้ได้อยู่ร่วมกับท่านพระเจ้าจุลนีพรหมทัตมีพระดารัสดังนี้ลำดับนั้นพระมหาสัตย์ได้แสดงห้องนอนหนึ่งร้หนึ่งห้องแด่พระเจ้าจุลนี ครั้นประตูห้องหนึ่งเปิดประตูทั้งหมดก็เปิดครั้นประตูห้องหนึ่งปิดประตูทั้งหมดก็ปิดเมื่อพระราชาทอดพระเนตรพลางเสด็จไปข้างหน้ามโหสถโดยเสด็จไปข้างหลังเสนาทั้งปวงก็เข้าไปสู่อุโมงค์พระราชาเสด็จออกจากอุโมงค์มโหสถรู้ว่าเสด็จออกจึงตามออกมาบ้างไม่ให้ชนทั้งปวงออก ปิดประตูอุโมงเหยียบเครื่องสลักยนต์ประตูใหญ่8ปสประตูน้อย64ประตูห้องนอนหนึ่งรหนึ่งและโคมดวงประทีปหลายร้อยก็ปิดพร้อมกันอุโมงทั้งสิ้นก็มืดราวกะโลกันตะนรกมหาชนทั้งกลัวทั้งสะดุง้งอันมรณะภัยคุกคามแล้วพระมหาสัตว์หยิบดาบซึ่งตนเข้าไปฝังทรายไว้เมื่อวานนี้ แล้วโดดขึ้นจากพื้นสู่อากาศสูง18ศแปดอกแล้วกลับลงมาจากอากาศจับพระหัตพระเจ้าจุลนีพรหมทัตไว้เงื้อดาบให้ตกพระหฤทัยทูลถามว่าราชาสมบัติในสกลชมพูทวีปเป็นของใครพระราชากลัวตรัสตอบว่าเป็นของเธอแล้วตรัสว่าเธอจงให้อภัยแก่ข้า มโหสถทูลว่าพระองค์อย่าตกพระหฤรุไทยกลัวเลยพระเจ้าข่าข้าพระองค์จับดาบด้วยใครจะปลงพระชนก็หาไม่ข้าพระองค์จับเพื่อจะสำแดงปัญญานุภาพของข้าพระองค์ทูลชนนี้แล้วถวายดาบนั้นต่อพระหัตพระราชาลำดับนั้นมโหสถทูลพระราชาผู้ทรงถือดาบประทับยืนอยู่ว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าถ้าพระองค์ทรงใครจะฆ่าข้าพระองค์ก็จงฆ่าด้วยดาบเล่มนี้ถ้าพระองค์ทรงใครจะพระราชทานอาภัยก็จงพระราชทานพระราชาตรัสตอบว่าบัณฑิตข้าให้อภัยแก่เธอจริงๆเธออย่าคิดอะไรเลยพระราชาจุลนีพรหมทัตกับมโหสถโพธิสัตท์ทั้งสอง ต่างจับดาบทำสาบานเพื่อไม่ประทุสร้ายต่อกันและกันลำดับนั้นพระเจ้าจุลณีตรัสกับพระโพ ธ, ธิสัตว์ว่าแน่บัณฑิตเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกำลังปัญญาอย่างนี้เหตุไรไม่เอาราชสมบัติเสียมโหสดทูลตอบว่าถ้าข้าพระองค์อยากได้ก็จะฆ่าพระราชาในสกลชมพูทวีปเสียในวันนี้แล้ว เอาราชสมบัติก็แต่การฆ่าผู้อื่นแล้วถือเอายศนักปราดทั้งหลายไม่สรรเสริญลำดับนั้นพระราชาตรัสว่าแน่ ä, บัณฑิตมหาชนออกจากอุโมงค์ไม่ได้ก็คร่ำครวญเธอจงเปิดประตูอุโมงค์ให้ชีวิตรานแก่มหาชนมโหสถเปิดประตูอุโมงค์อุโมงค์ทั้งสิ้นก็มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกัน มหาชนกลับได้ความยินดีพระราชาทั้งปวงออกจากอุโมงค์กับเสนาไปสู่สำนักมโหสถมโหสถสถิตอยู่ณพระผลาอันกว้างขวางกับพระราชาจุลณีลำดับนั้นพระราชาเหล่านั้นตรัสกับมะโหสถว่าพวกข้าพเจ้าได้ชีวิตเพราะอาศัยท่านถ้าท่านไม่เปิดประตูอุโมงค์อีกครู่เดียว ข้าพเจ้าทั้งปวงก็จักถึงความตายในอุโมงค์นั้นนั่นเองมโหสถทูลตอบว่าข้าแต่มหาราชทั้งหลายพระองค์ไม่เสียพระชนมชีพเพราะอาศัยข้าพระองค์แต่ในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในการก่อนพระองค์ก็ได้อาศัยข้าพระองค์จึงยังดำรงพระชนมชีพอยู่พระราชาเหล่านั้นตรัสถามว่าเมื่อไรบัณฑิต มโหสดบันดิตจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ทรงฟังทรงระลึกถึงการเมื่อพระเจ้าจุลณียึดราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้นได้ยกเสียแต่เมืองของพวกข้าพระองค์แล้วกลับอุตรปัญจาล ร, ราชธานีแล้วจัดแต่งสุราเพื่อดื่มชัยบาลในสวนหลวงได้หรือไม่พระราชาเหล่านั้นรับว่าระลึกได้ มโหสถจึงทูลว่าในการนั้นพระราชาจุลณีกับเกวัตตะผู้มีความคิดชั่วประกอบกิจนั้นเพื่อปลงพระชนเหล่าพระองค์ด้วยสุราที่ประกอบด้วยยาพิษและมัชชมังสะเป็นต้นทีนั้นข้าพระองค์จึงรำพึงว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เหล่าพระองค์จงอย่าได้เสียพระชนม์ชีพโดยหาที่พึ่งมิได้เลย คิดในใจดังนี้จึงส่งพวกคนของข้าพระองค์ไปให้ทำลายภาชนะทั้งปวงทำลายความคิดของพวกนั้นเสียได้ให้ชีวิตทานแก่พระองค์ทั้งหลายพระราชาเหล่านั้นทั้งหมดได้สดับคํคำของมโหสถก็มีพระมณสหวาดเสียวจึงทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าจริงหรือไม่พระเจ้าค่าพระเจ้าจุลนีตรัสตอบว่าจริง เราเชื่อถ้อยคำของอาจารย์เกวัตตะได้ทำอย่างนั้นมโหสถบัณฑิตได้กล่าวจริงทีเดียวพระราชาเหล่านั้นต่างสวมกอดพระมหาสัตวร์ตรัสว่าแน่บัณฑิตท่านได้เป็นที่พึ่งของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้รอดชีวิตพระท่านตรัสนี้แล้วบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยราชาพ์ทั้งปวง มโหสถทูลพระเจ้าจุลนีอย่างนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์อย่าได้ทรงคิดเลยนั่นเป็นโทษของการซ้องเสพด้วยมิตรลามกนั่นเองขอพระองค์ยังพระราชาเหล่านั้นให้งดโทษพระราชาพรหมทัตรตรัสว่าเราได้ทำกรรมเห็นปานนี้แก่พวกท่านเพราะอาศัยคนชั่วนั่นเป็นความผิดของข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายจงงดโทษแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักไม่ทำกรรมเห็นปานนี้อีกรับสั่งชนีแล้วให้พระราชาเหล่านั้นเข้ามาโทษพระราชาเหล่านั้นแสดงโทษกะกันและกันแล้วเป็นผู้พร้อมเพรียงชื่นชมต่อกันลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีให้นาขาทนียะและโภชนียะเป็นอันมากและดนตรีของหอมดอกไม้เป็นต้น มาเล่นอยู่ในอุโมงกับด้วยกษัตริ์ทั้งปวงตลอดสัปดาห์แล้วเข้าสู่พระนครให้ทาศั ก, กระใหญ่แก่พระมหาสัตว์แวดล้อมไปด้วยพระราชาร้อยเอ็ดประทับนั่งณพื้นพระราชมณีตรัส ด, ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้มโหสดบัณฑิตยอยู่ในราชสำนักของพระองค์ว่าข้าจะให้เครื่องเลี้ยงชีพ การบริหารเบี้ยเลี้ยงและบำเหน็จเพิ่มขึ้นสองเท่าและให้โภคสมบัติอันไพยบู์อื่นๆเจ้าจงใช้สอยสิ่งที่ปรารถนาจงรื่นรมเถิดอย่า ก, กลับไปหาพระเจ้าวิเทหราชเลยพระเจ้าวิเทหราชจะทำอะไรได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเครื่องเลี้ยงชีพวุตติงได้แก่ เครื่องเป็นไปแห่งชีวิตที่อาศัยได้คำว่าการบริหารปริหารังได้แก่ให้คามและนิคมคำว่าเบี้ยเลี้ยงพัดตังได้แก่อาหารคำว่าบำเน็ตเวตานังได้แก่สเสบียงคำว่าโภคสมบัติโพเคความว่า ข้าจะให้โภคสมบัติอันไพยบูรแม่อื่นๆแก่เจ้า